พระธรรมเทศนาแผนที่69าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทำไม่ดีมีสิทธิตกสวรรค์ ออพิธีกรรมพิธีการของพวกเราในวันนี้พวกเราคงศรัทธาญาติโยงคงจะแปลกใจเห็นดวงดาวเต็มไปหมด <c oughs> ที่ศาลาของพวกเราคือวันนี้เป็นตำเป็นวันตํารวจแห่งชาติเป็นวันที่สิบสาตุลาห้าเจ็ด เ, เป็นวันตํารวจตํารวจก็จะมีทําพิธีทําบุญ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 ปกป้องประเทศชาติก็ธรรมดาการปกป้องประเทศชาติก็มีทั้งคนดีคนเลวก็ได้ล้มหายตายจากไปก็มากเหมือนกันตำรวจผะ น, นั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังนําอาชีพเดียวกันคือตำรวจพวกน้องๆ้องลูกห ล, ล, ลานๆถึงวันตำรวจเราก็ยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเหล่านั้นที่ มีวิชาอาชีพกับพวกเราที่รุ่นพี PP ่ๆปู่ๆทวดๆของพวกเราพวกเราที่อยู่เบื้องหลังกันถึงวันนี้ก็ปีหนึ่งวันที่13ตุลา<ม>ก็จะมีการทาบุญอุทิศส่วนกุศลทั่วประเทศจากนั้นก็จะทําพิธีเกี่ยวกับวันลาลึกหรือว่าทําพิธีวันตํารวจแห่งชาติวันในวันนี้หลวงพ่อก็ได้พูดกับผู้กํากับอําเภอนายงที่ท่านนั่งอยู่ นะข้างๆนหลวงพ่อนะ่หลวงพ่อบอกว่าเออถ้าเราไปทำที่สถานีตำรวจกับงานของหลวงพ่อกับฉุกลงหกปีในก้กถินก็อีกเมื่อวานวันนี้ก็คงจะได้พบกับคณะสัายาติโยมพระสงฆ์ทำความเข้าใจบางเรื่องราวแต่เป็นไปได้ก็ขอให้ใท่านรวมกลับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาทําพิธีที่วัดหลวงพ่อทําบุญตักบาตรให้ศิลให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยค่อยไปทําพิธีที่สถานีตํารวจได้ไหมท่านภูมิกับก็อ ไ, อ, อได้ก็ได้ตกตกลงกันในวันนี้กันเลยได้มาทําพิธีแล้วก็ต่อ น, นี้ไปก็เริ่มพิธีแลนะน้าตณีพระสงฆ์จัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญท่าน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 แล้วก็มารวมกันที่ศาลาแห่งนี้อันดับแรกก็ท่านผู้กากับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอยากนั้นก็ได้สมาทานสินได้รับสินเมื่อรับสินจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้กล่าวป่าลบเรื่องงานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับตำรวจผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์กสันติราช ที่นั่งอยู่ที่ศาลาของเราทั้งหมดมีมีดวงดาวเต็มไปหมดหลวงพ่อเห็นกับป่มใจกับพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราคือตำรวจนายูงของเรากับวัดของเราเหมือนกับพี่ๆน้องๆเป็นศรัทธาญาติโยมอันหนึ่งอันเดียวกันมีอะไรขาดเลือขาดตกที่จะให้หลวงพ่อที่จะช่วยเหลือเจือจานกัน หลุงพ่อก็ยินดีเพราะว่าลุงพ่อในอยู่ในชุมชนกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะลุงพ่อก็บอกแล้วว่าหลุงพ่อเป็นพระสาธารณะเดี๋ยวนี้ลุงพ่อก็ช่วยทางโรงพยาบาลอุดรช่วยทางโรงพยาบาลศรีนครินเมื่อวานวันก่อนเขาก็เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเข้ามาขอเครื่องมืออีกลุงพ่อก็เอายินดี ที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าสาธารณะเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะอย่างที่ว่าเพรา ะ, ะนั้นขอให้หนาเจ้าหน้าที่ท่านผูกํากับและนายตำรวจทุกท่านที่มาอยู่อเาเภนะอนายูอยู่ด้วยความสบายใจปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษลูกหลานให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอ่า หลวงพ่อก่อเนี่ยอยู่ในระดับนี่แหละถ้าจะวัดในระดับสูงไหมก็หลวงพ่อไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองหรอกหลวงพ่อกัหลวงพ่ออยู่ในระดับสูงนะเพราะเหตุไรเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่ในจังหวัดทั้งผู้ใหญ่ทุกทุกทักทุกท่านหลวงพ่อก็ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านเหล่านั้นแล้วก็เนี่ย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 ตกสวรรค์ได้ไง่ายๆนะในตำราของพระพุทธศาสนาเทวดาผู้ใดทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล่คือขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อย่างโคสกะเป็นหมาของเศรษฐีพอไปเห็นพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าเอ้ยหมาเอ้ยสุนัขเอ้ยแต่แก่เป็นหมาชาตินี่เอาเดี๋ยวเราจะไปสู่ดอยคันธมาศ ให้เธอกลับไปเซนะพ่อว่าเท่านั้นพระปฏิเจกก็เหาะเลยเหาะให้หมาเห็นแลว้วงั้นนะเ อ, อแสดงฤทธ์เหาะให้หมาเห็นหมาตัวนี้นก็ไปสงพระปฏิเจกเ อ, อด้วยความรักห่วงหาอะไรในพระปฏิเจกนะี่ยหมาตัวนี้นก็หอนวใจขาดเลยงั้นค้อยๆว่าคิดถึงพระปฏิเจกที่ท่านเหาะขึ้นไปในทางฟ้านะเนี่อหมาตัวนั้นก็เลยตายใจขาด พ่อตายแล้วอเนสงมีเป็นจิตใจเป็นกุศลเพราะว่าได้ลำดึกถึงพ่อปเจกพุทธเจ้าหมาตนน้นนะ้รับไปสู่สวรรค์ขึ้นไปอยู่เกิดในสวรรค์พ่อไปเกิดในสวรรค์ทนี้เพราะตัวเองไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรเพราะเป็นหมานะขึ้นไปบนสวรรค์โอ้โหทำไมมีความสุขอย่างนี้ท่นะสุขอะไรก็ได้คิดได้อย่างใจหมดถึงอะไรขึ้นมาก็ได้อย่างใจหมด พอในสุดก็เลยลึกนึกลืมทานอาหารเนะี่ยเทวดาเขาก็ลึกเขามีทานอาหารเหมือนกันนะในตำราเทียนว่านึกลืมทานอาหารพอนึกลืมทานอาหารตกลงมาจากชั้นสวรรค์ใหนี่แหละสวรรค์นี่ตกในง่ายๆเหมือนกันแหมบางคนไปอิจฉาคนอื่นเขาอยู่สวรรค์โอ้ทาไมเขาจึงดีกว่าเราฆ่ามันอะไรอะออกไปทางกิเลสจะฆ่าเขาพอในสุดตกสวรรค์อีกเหมือนกัน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 คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเท่านั้นอ่ะพร้อมที่จะคนทั้งหลายที่มองที่มาอย่างเมื่อวานเนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะปันหาเราได้เหมือนกันเอ๊ะทไมเอ่อเรานับถือเริ่มใสขนาดนี้ทำไมทำตัวไม่ดีอย่างงาุ่นอย่างนี้เขาก็ว่ า, นะาก็ว่าได้และเสียหายไม่เสียหายเหมือนกับเทวดาตกสวรรค์อะไร่นนะอันนี้ก็เหมือนการขอฝากไว้กับขราชการทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ใช่ว่า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 ในหลักของพุทธศาสนายังมีส่วนส่วนกายวาจาเแล้วยังมีส่วนใจอีกกว่าเนี่ยใจคือความนึกคิดนตัวนี้พระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องศีลเรื่องกายวาจาเพราะกอกายวาจานี่จะทำดีได้ก็ต้องใจคิดสะก่อนวาจาที่จะพูดออกไปได้ก็ต้องใจคิดสะก่อน ทนแนวความคิดของใจตัวนมามธรรมจุดนั้นจะเอาอะไรเข้าไปไปแนะนำไปสั่งสอนไปปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงให้เอาศีลธรรมเข้าไปหาจุดนั้นศีนลธรรมจุดนั้นคืออะไรคือสมาธิท่านนอ่รวบรวมให้มีสติสัมปชัญญะให้จิตเน่งตัวผู้รู้ตัวนั้นนิ่งพอนิ่งขึ้นมาเหมือนเรายืนยืนเน่ง พอยืนนิ่งเราก็มองเห็นอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรอันนั้นถูกต้องไม่ถ <ay> ูกต้องอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นไม่เป็นธรรมเมื่อเรายืนนิ่งเราจะเห็นเหมือนกับเราน้ํามันนิ่งพอน้ํามันนิ่งเรามองลงไปเราจะเห็นเงาของเราในสองหน้าของเราในกระจกน้ําในน้ํานั้นเพราะอะไรเพราะน้ํามันนิ่งถ้าน้ํามันกระเพื่อมมันไม่เห็นไม่เห็นเงาตัวเองนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายืนนิ่ง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 ท่านบอกกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ของพระพุทธเจ้าแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกยังไม่พอนะต้องกำหนดพุทโธด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธเมื่อใจใจของเราอยู่กับพุทโธ ไม่ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตอดีตคือวานเมืก่อกรอนะ่ะอันนี้คืออดีตเออตั้งแต่คําพูดหลวงพ่ อ, พอคํานี้แหละที่คําพูดตั้งแต่เริ่มต้นอนะ่ะเป็นอดีตทั้งหมดแต่คําไหนที่ยังไม่ได้พูดอนะ่ะอันนั้นคืออนาคตเนะ่ะอันนี้แหละ อ, นนอดีตอนาคตนะ่ะแต่ว่าให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆนะเออเหมือนกับเรานาฬิกาเดินเป็นวินาทีวินาทีวินาทีที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างนั้นแหละอันนั้นเป็น วินาะทีนันคือปัจจุบันที่มันผ่านไปแล้วนะ่คือเป็นอดีตที่ยังไม่ถึงนะแปลว่ายัง อ, น, นะ น, อนาคตอันนี้เราคืออ น, นาให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ในเมื่อจิตใจของเราเป็นปัจจุบันจิตใจของเรารวมสงบนิ่งน่งมันนิ่งเหมือนานาฬิกาตายอย่างนั้นแต่เวลามันก็เดินอยู่แต่ว่าใจของเรามันนิ่งตัวของเรามันน่งแต่เวลา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 มาพูดเรื่องของใจอันนี้เรื่องสมาธิแนวความคิดของจิตใจแล้วก็วิปัสสนายังไปอีกนะอันนั้นคือสมร t คือสมาธิเนะี่ยยังวิปัสสนาอีกวิปัสสนาคือแยกแยหาเหตุผลอีกใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอีกอันนั้นเราต้องศึกษาในรายละเอียดอีกนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา เพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะจตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกันพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรหลานะั้นที่นี้นะให้พวกเจ้าหน้าที่นผู้กํากับและกับผู้ที่มาทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับกรมตํารวจของพวกเราตั้งแต่พญาดํารงเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้ตั้งกรมกรมตํารวจขึ้นมาตํารวจ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 เ, เมื่อท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่โอ้วันนี้เป็นวันตํารวจพวกน้องๆทําบุญให้ข่า อ, อุทิศส่วนกุศลให้ข่าบ้างเดี๋ยเปล่านอ้อเนอเขาก็จะหวนกลับมาอพวกเรามาถึงเออเอา อ, อ, อพี่ๆนะปู่ๆนะปู่ย่าตายปู่ย่าตายายนะพวกเราอุทิศส่วนกุศลให้เหมือนกับเราเอหาทําบุญเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเหมือนกับเรามีเงิน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 ถ้าว่าไปสวรรค์ก็ไปอยู่ชั้นสูงแล้วส่งของขึ้นไปพวกเหล่านั้นก็ไม่รับถ้าไปเกิดเป็นสัติธิชานก็ไม่ได้รับแต่ว่าถ้าว่าท่านมีวิญญาณร่องรอยอยู่ไปไหนยังไม่ได้อันนั้นะจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลาย น, นั่นคือตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านจึงให้